ก็ในข้อนี้นั้นได้บอกแล้วว่าต้องทำเรื่องของวิปัสนาให้ชัดเจนแต่เนื่องจากว่าแต่ละคนเรามีพื้นฐานสมถะมาค่อนข้างเข้มข้นที่เราเคยฝึกมาพุโทโธบ้างหนอบ้างพลังจิตตานุภาพบ้างสมราหาหังบ้างอนาปาบ้งางโดนเป็นฐานคือก็เปิดติ้งทางสมถาวิปัสนาแต่ว่ามันหนักไปทางไหนเท่า น, นเอง อาจจะดับไปทางสมรถะเจวิปัสนาแค่30แต่ของเรามันเน้นด้ว่าขอคุณอจารพิทักษ์ธรมาานี้ขอให้ชัดวิปัสนาถึง 70% สนะสมรถะถ้าจะมีก็ไม่ควรจะเกิน 30% เปรพราะการเคลื่อนไหวทั้งหมดนั้นเป็นเพียงเหมือนเราใช้พัดวีนะเราต้องการลมอันเกิดจากพัดไม่ได้เอาตัวพัด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 ไม่ใช่ขยันทําอย่างเดียวพื้นที่ทำทำทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่ยอมปรับเปลี่ยนก็ถือว่าเป็นสมถะเพราะมีอาการแช่เกิดขึ้นเพราะในสมถะนี้เน้นที่จะให้เกิดตัวสงบตัวสบายตัวสุขตัวปิติแต่ในวิปัสนาเราจะไม่เน้นตัวนั้นวิปัสนาเราเน้นตัวตื่นรู้เปิกบานเท่านั้นเองซึ่งมันความป้องหมานึงต่างกันเพราะตัวตื่นรู้เบิกบานจะเป็นเหตุกล้ให้เกิดปัญญาญาณ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 อะไรก็แล้วแต่ที่เรามันมีขึ้นพุดขึ้นมาเป็นบางครั้งลักษณะนี้ปัญหาเกิดจากอุปาทานซึ่งมันจะเคลียร์ได้ไม่ง่ายนักเรียกเป็นปัญหาตกค้างบางค้งบางขณะเราเผลอแล้วมันขึ้นมาแล้วทำให้จิตเราเศร้าหมองลักษณะนี้เราก็จะไม่กลบเกลื่อนด้วยความคิดบวกแต่เราจะเข้าไปดูอาการของมันตรงๆอาการของท่องใสเศร้าหมองหรือ คิดนไปดูอาการของมันตรงๆที่มันเกิดแต่ทั่วไปถ้าเป็นสมถะนั้นเมื่ออาการความไม่สบายอากูสลเหล่านั้นเกิดขึ้นเราก็จะกลบเกลือนด้วยความคิดบวกเช่นว่าความคิดความเครียดความแค้นใครคนหนึ่งเกิดขึ้นปับ๊บเรากลบเกลือนด้วยการแผ่เมตตาด้วความกำหนัดความยิ ด, ดีในอารมณ์เกิดขึ้นปับ๊บเรากลบเกลือนด้วยการพิจารณาอสุภะพิจารณา ที่จะเข้าไปทําลายความรู้สึกชเด่นนั้นหรือเกิดความเบื่อหน่ายทอดหอยก็พยายามที่จะอบรมด้วยนึกถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติคุณของพุทธธรรมมาส่งเข้ามาแทนนี่เป็นลักษณะของสมถะคือแก้ความคิดลบด้วยความคิดบวกแต่วิปัสนาไม่ใช่แต่วิปัสนาความคิดลบก็ดีความคิดบวกกดีเกิดขึ้นต้องเข้าไปตามรู้ตัวนั้นตามรู้ ลักษณะอาการพวกมันเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่ดังไรกลัวมันจะหมดไปนานหรือไม่แล้วก็เหมือนเรากวาดบ้านน่ะนะถ้าเป็นสมถะรู้สึกตัวนี้มันลกเราไม่ชอบนี่เราไปย้ายทุ่ไปอยู่ที่อื่นใช่ไหมแต่วิปัสสนามาลกที่นี่ก็ต้องกวาดที่นี่เช็ดที่ให้เกลี้ยงนี่คือแก้ปัญหาแบบวิปัสสนาแต่สมถะอือที่นี่วุ่นวายไม่ชอบสัญญาไปทีน่โน้นก็ย้ายที่ไปเลย แต่พิปสนปัญหาเกิดที่ไหนแก่ที่นั่นเพราะฉะนั้นหลายคนที่เคยไปทำวิธีการเดียวกันเนี่ยแต่ในสำนักอื่นในอาจารย์อื่นส่วนใหญ่แยกตรงนี้ไม่ชัดไปแทนที่จะเป็นวิปัสนาแต่ปเป็นสมถะรู้ได้ไงเพราะว่ายังมีปิติยังติดปิติแบบรุนแรงยังหลงเหลือมาให้เห็นอยู่ยังมีนิมิต สีแสงมีแววเกิดขึ้นอยู่นั่นคืออาการเราได้ทําสมถะมาก่อนอารมณ์ของสมถะจะออกมาลักษณะของนิมิต ส, สีแสงปิติที่ค่อนข้างรุนแรงระนักไม่อยู่นี่หมายความว่าเป็นผลข้างเคียงจากสมถะที่เราเคยทำมาเราเคลียร์ไม่ออกเพราะอะไรที่เกิดอย่างนั้นเพราะว่าบางที่บางแห่งเราคอรนั้นอาจารย์นั้นอาจค น, นอาจาจะเยอะเกินไปแล้วการดูแลไม่เท่วถึง แก็ปล่อยให้ทำกันทั้งวันจะทําถูกทำผิดไม่รู้ทัานไม่ได้มาตรวจสอบเราก็ เ, าเพียงแต่มานั่งคุยนั่งแก้กันจนเชา้าจนเย็นแต่ในช่วงระหว่างทั้งวันเนี่ยเราทำเนี่ยจิดเราเดินไปที่ไหนบ้างไม่รู้เราก็ไม่มีใครรู้กันทงทีมันก็เดินไปสู่ล่องของสมาถะทั้งวันเลยก็ไม่มีการตรวจสอบนะอันนี้ก็คือเราจะต้องชัดเจนในอารมณ์ว่าเป็นที่ปริศนาคืออย่างนี้นะคือเอาตัวรู้เป็นอารมณ์ไม่ใช่เอาตัว รูปเป็นอารมณ์แต่ในกรณีที่เอาตัวรูปเป็นอารมณ์ต่อเมื่อมันมีปัญหาต้องบำบัดเช่นเย็นรล้ว อ, อ่อนแข็งเข่งตึงมันเกินเราก็ต้องเข้าไปบำบัดการที่เขาไปเพ่งปีนี้พิจารณาปรับเปลี่ยนบำบัดนั้นมันก็ใช้เวลาไม่มากเ ด, เดี๋ยวเดี๋ยวก็จบใช่ไหมเช่นเราปวดขาแค่พี่พมันก็หายปวดะ่ะมันใช้เปอร์เซ็นที่น้อยแค่สามสิบก็เหลือเฟือละไแก้ปัญหาของรูปนะ แต่กรณีที่แก้ปัญหาของนามปัญหามันเยอะเพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถจะบำบัดทุกเวทานาในรูปให้หมดจดได้มันก็ต้องไหลไปสู่นามคือเรียกว่านา ม, มารปเราต้องไปแก้ตัวนั้นเพราะนามารปถ้าเราไม่แก้ไขให้ดีมันก็จะกลายไปเป็นตัวอกุศุธรรมต่างแต่มันไปตั้งต้นที่นา ม, มารปให้เราไปทันณจุดนั้นนามารปมีสองลักษณะลักษณะที่เป็นความพอใจและไม่พอใจ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 เพราะว่าเรื่องนี้ยาวย า, <laughs> ยาวพอรู้ตลอดแถวเลยตอนนั้นใครยะพึ่งไปไหนพึ่งนี้ก็มาแชร์ต่อเรื่องเอซงานนี้โยมเปี่ยมทําบากใจแนะ่เพราะจะเกิดสํานักใหม่เกิดขึ <laughs> ้นสํานักเอซีกับดีซีโมตีไปแล้วหนึ่งสำนักแล้วนะวันนั้นไอ้ที่ครูของเรานี่จะมีหลายสํานักอยู่นะั่นแต่ก็จะครูสติ <laughs> ไม่หมายถึงนนว่าต่อไปเนี่ยมันจะเกิดความอะไรนะความการุณา มันเห็นเพื่อนเราอีกหลายคนที่มันงมงายหลายอยู่เรื่องเรื่องปัญหาเรื่องทุกข์นี่นะแต่มันเรื่องมันง่ายแต่เขาไม่ใช่คนรู้ข้อเหตุใช่แต่ทีนี้โยมจวดไปเห็นเขาเหล่านี้มันทุกข์มีปัญหาจะทนไม่ได้ที่จะต้องไปจัดการนั่นแต่ให้ชัดเจนเรื่องนี้ก่อนเรียกว่ากรุณาเพรเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องไอ้เรื่องโตัวอะไรใช่ไหมแต่เราเอาในช่วงท้ายนะให้จบไอ้ตอนเดนี่กันคุณทศาก็มีเรื่องแชร์มันก็บโยงจวนี่แหละ นี่แหลอารมณ์ไหวขึ้นอยูโอเคหันหน้าเข้าขวาเดี๋ยวเดวช่วงไทยเยวใช้ชั่วโมงจะให้โอกาสอีกทีหนึงจะก่อนจบกอจบ่อนนี้พอแล้วเอาไปแชร์พรุ่งนีกครึ่งหนึ่งหน้าเก่าหนึ่งเอาทั้งไทยไม่มีใครอยู่เลยด้านหลัง อ, ะอ่ะขอเวลาอีกประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเศษนะเราจะได้พิสูจน์ว่าเราเข้าใจเรื่องสมถะอภิษณนาโดยความเป็นจริงเนี่ยชัดไหมว่าเราดู